สำหรับวันนี้ก็อยาข อ, อนำเอาเรื่องบุพกรรมของพระาษสาวกทั้งหลายมีพระอาคาส า, า, า, าวกเป็นต้นมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นการศึกษาสำหรับประวันนี้ไปจบลงตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งอาคาสาวกทั้งสอง <c oughs> คือพระโมคคัลาและพระสารีบุตรรั้นมาแต่งตั้งพรอากสาวกแล้วก็ปรากฏว่าบรรดาพิสุที่เป็นปุตุชนยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสพากันติเตียนองค์สมเด็จพระบรมโลเกช์เห็นว่าการแต่งตั้งอากสาวกทั้งสองด้วยการเห็นแก่หน้ากัน แต่ความจริงองค์สมเด็จพระพุทธกวันจะมีกิจย่างนั้นก็หาใหม่ <c oughs> ในเรื่องการถูกยินทาว่าร้ายติเตียนนี้ก็ขอท่านทั้งหลาย <c oughs> โปรดระึกนึกถึงไว้เสมอว่ามันเป็นโลกธระทถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดี สมเด็ดจพรเชนสียังไม่พ้นการนินทารากว่าท่านหลายจะโดนแบบนั้นเข้าบ้างการฟังขอถือว่าเป็นการฟังเพื่อการศึกษาจงตำนำดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญว่าสมเด็จพระบกวันมีพระมหากรุณาที่คุณทั้งอย่างนั้น พระองค์ก็ยังไม่พ้นการนินทาจากปากของพระด้วยกันหากว่าท่านหลายโดยการนินทาว่าร้ายเขาบ้างก็จงนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวไว้ว่าเรายังไม่ดีเท่าพระพุทธเจา้าเราจะหลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายไม่ได้เหมือนกันถ้าพบการนินทาว่าร้ายขึ้นมาเมื่อไร่ก็จงคิดว่า นาถิโลเปนินที่โตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนที่ไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกหากว่าเราถูกนินทาว่าร้ายก็ต้องดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาเมื่อทราบว่าพระท่าหลายนินทาพระองค์พระองค์ก็ไม่ยั ก, กรดกลับโปรดเล่าถึงบุพคกรรมของบุคคลทั้งหลาย โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระอาการสาวกทั้งสองว่าท่านทล้สองนี้ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไม่จะเห็นแก่ น, น้าบุคคลโดยสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาถึงมโนปฏิทานความปรารถนาที่เรียกกันว่าอดิฐานนบรมีเป็นสำคัญยินั้นท่านทั้งหลายมาฟังเรื่องนี้แล้วจงจำไว้ใส่ใจไว้เสมอ ว่านินทาประสองสาการนินทาด่าสัเนเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกที่จะหนีไม่ได้เมื่อมันหนีไม่ได้เราก็ไม่หนีเราทํายังไงถ้าไม่หนีก็คิดว่าใครอยากจะนินทาก็นินทาไปตามอธัธยาศัยบุคคลผู้มีใจเลวแ้่คนตามตามปกติคนที่เขามีใจดีเนี่ยเขาไม่นินทาใคร โดวงสาเร็จพระจอมไตรบรทมหาราชเสนาธิราพระอรหันธ์ทั้งหมดมันดาพระสาววาข้อองสําเร็จพระบรมสุคตท่านไม่นินทาใครถ้าจะว่าเจติก็ว่ากันตรงๆไม่มีการนินทาว่าร้ายจะนั่นคนนินทาจริงเป็นคนเลวเมื่อเราเห็นว่าเขาเลวเราก็ไม่พยายามเลวด้วย ไม่ช่วยเราให้ประสงค์ความเลวก็ามาเป็นสองฝ่ายเมื่อเขาอยากจะเลวเให้เลวไปฝ่ายเดียวเราไม่ยอมเลวด้วยหมดเรื่องกันตอนนี้ไปเขามรนดาท่านหลายฟังเรื่องราวพระองค์สมเด็จพระทรงทันต่อไปด า, านพัมบาลีไึ้กล่าวว่ามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ฟังบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายนินทาทราบด้วยอำนาจที่ประโซตยานสมเด็จพระวิชิตามานจึอองได้ทรงเสด็จมาแล้วก็ทรงประทับนั่งในระหว่างที่พระทั้งหลายนั่งคุยกันกำลังนินทาอยู่สมเด็จพระบรมครูจึงได้ทรงตรัสว่าพิเทเวดูกรพิสุทธิทั้งหลาย พวกเธอพูดสนทนากันในเรื่องอะไรกันนี่ความจริงพระองค์ทรงรู้แล้วแต่ว่าเป็นมีสัยข้องสมเด็จพระประทีปแก้วจะต้องทรงตรัสอย่างนี้เสมอบรรดาผิสุดทั้งหลายเรานั้นจะได้กลาบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าพูดการเรื่องนี้พระพุทธเจ้าข้าหมายความว่าปรารบเรื่องการแต่งตั้งอักสรวกแต่ความจริง เจะว่ากันไปพระผู้นั้นท่านก็ดีเหมือนกันเมื่อสมเด็จพระภักวันถามท่านก็พูดตรงตรงนี่ก็มีทั้งความดีและความชั่วเรียกว่าความชั่วก็มีความดีก็มากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจา้าจึงได้นทรงตรัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุทธ้งหลายการที่พวกเธอกล่าวอย่างนั้น ยังไม่ตรงตามความจริงที่เราตั้งแต่งตั้งตําแหน่งอากศาศสาวกทันเราจะตั้งให้ตําแหน่งแก่บรรดาบุคคลทั้งหลายได้ท่านทั้งสองนี้จะถือว่าเป็นการเห็นแก่หน้ากันมันนั้นไม่ได้ท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งสองนี้เพิ่งมาไม่จะถือว่าเราเห็นกับฐานะในฐานะที่ท่านทั้งสองเป็นลูกมหาเศรษฐีก็ไม่ได้ ว่า พ, พ, พระอรหันตทั้งหลายที่อยู่ในสำนักของเรานี่เป็นลูกมหาเศรษฐีทั้งหลายคนองสมเด็จพระพุพทธสัพพลยูนในทรงตรัสว่าเราไม่ได้เลือกให้ตำแหน่งแกวิสุใหม่แต่แต่ว่าการให้ตำแหน่งที่ตนตนจะเพิ่งตัดนาแล้วนั่นมีอยู่นั่นแหละวิสุเหล่านั้นก็ทันัญญากนทิยะ เมื่อถาวายทานเนื่องด้วยข้าวอันเลิศได้เก้าครั้งให่ข้ามหน้าไปแล้วเปล่าก็ไม่รู้นี้ก่อนถวายย่อนใหม่นิดเราหาเลือกให้ตำแหน่งแกบรรดาพิสุใหม่ไม่แต่ถ้าเราได้ให้ตำแหน่งที่ตนๆนที่ท่านหลายเหล่านั้นปรารถนาแลวปรารถนาแล้ ว, ลวถพาว่าอย่างนั้นแกพิสุเหล่านั้นก็ท่านัญญาโกนธัญญะ เมื่อถวายทานด้วยข้าวกล้าอันเลิ่อเก้าครั้งในคราวข้าวกล้าครั้งหนึ่งหมายความในคราวที่หน้เาเขาวานข้าวกล้านะจํารู้จักไหมเพื่อเขาหว่านข้าวข้าวเขาไว้เป็นเป็นพืชเพื่อจะนําไปดํานาปลูกเขาเป็นต้นข้าวใหญ่ในอณนาาใหญ่เขาเรียกว่าข้าวกล้าในครั้งหนึ่ง ก็หาได้ปรารถนาตำแหน่งอาคาสาวกใหม่แต่ได้ปรารถนาเพื่อการแทงตลอดความเป็นอรหรันอันเป็นทาเลิศแก่ก่อนคนก่อนระษาวกทั้งหมดนี่หมายความว่าถ้ายาโกนธัญญาในเวลาจะหวเข้ากล้าลงไปก็ถวายทานเวลาข้าวท้องขึ้นมาก็ถวายทาน เวลาข้าวมีรวงก็ถวายทานเวลาข้าวเกี่ยวได้ก็ถวายทานนำข้าวเข้าลานก็ถวายทานลวยข้าวเสร็จนำข้าวเข้ายุ่งก็ถวายทานแต่การถวายทานเมื่อการแรกนานี่ท่านตั้งมโนนินพพานในทานปัตถนาเวรว่วาถ้าหากว่าจะบรรลุพระสมมาจารย์บรรลุไปอรหันต์เมื่อใดก็ขอให้เราได้บรรค ก, ก่อนเพื่อนก่อนบรรดาภาษาวกทั้งหลาย นี่เป็นความหมายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมรรษษสจัจสันดาทรงตรัสแล้วมั น, นท่านกล่าวว่าพิสุทั้งหลายบรรดาพิสุทั้งหลายยึงกลาบทูลถามว่าเมื่อไรพระเจ้าข่าสมเด็จพระบรมศรรษษาสาดาก็ทรงย้อนถามว่าพวกเธอจกฟังหรือพิสุทธิั้งหลายเหล่านั้นก็จัดนันก็ตอบกราบทูลว่าอยากจะฟังพระเจ้าข่า เป็นนั้นว่าตอนนี้ฟังความปรารถนาตาั้งมโนปฏิทายของพระัญญาโกลัญญะกันก่อนตามพระบาลีตามลำดับสมเด็จพระบรมศาสตร์สันดาจึงตัดว่าพิเกเวดูก่อนท่านพิสุทั้ ง, งหลายแต่กลับนี้ไปอีกเก้าสิบเอกับถอยหลังเข้าไปมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพรนามมาวิปิปสี พอเด็กขึ้นแล้วในโลกในการนั้นกุมพีพี่น้องสองคนคือมาฮาการคนหนึ่งและแกจุลกาญ์คนหนึ่งให้หวาญข้าวในไร่สารีไว้มากต่อมาวันหนึ่งจุลกาญ์ผู้เป็นน้องชายเข้าไปในไร่ข้าวสารีจึงฉีกข้าวสารีที่กำลังท้องต้นหนึ่งมาแล้วชิมดู เห็นว่ามีรถอร่อยมากเขาปรารถนาจะถวายปรารถนาจะถวายสาลีข้าพระ้าทานเถิดเขาปรารถนาจะถวายข้าวสาลีที่กําลังท้องแต่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นบรมุขอย่างนี้เขาต้องเรียกว่าทําข้าวยาโค จึงเข้าไปหาพี่ชายที่มีนามว่ามาหาการและพูดว่าพี่ฉันจะฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้องต้มให้เป็นของควรแกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะายวทานพี่ชายกล่าวว่านี่เจ้าพูดอะไรเนอะเอ๋ยการอันที่ควรจะฉีกข้าวสาลีที่กำลังท้องทำทานไม่เคยมี ม, มาแล้วในอดีต นั่นก็จะไม่มีในอนาคตเจ้าอย่าทำข้าวให้เสียหายสิเลยท่านจุนาการอย่าไปอ้อนวอนพี่ชายแล้วแล้วเราเล่าท่านพี่ชายจึงพูดกับเขาว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ต้องแบ่งนาออกเป็นสองส่วนส่วนของเจ้าเจ้าทำส่วนของพี่เจ้าอย่าแตะต้อง จงทําส่วนที่เจ้าปรารถนานั้นในานาที่เป็นส่วนของตนทํายังไงก็ตามใจเธอเป็นนั้นว่าพี่ไม่ได้มีศรัทธาด้วยแต่น้องมีศรัทธาแบ่งนากันคนละครึ่งผลในนานะไม่ใช่แบ่งแมงเนื้อน า, นาเม อ, อท่านจุนรายการได้รับบัญชาจากพี่อย่างนั้นก็บอกว่าดีแล้วก็าพากันแบ่งนากันคนละครึ่งตันนี้ก็ได้ของ เมื่อแบ่งนากันแล้วก็ขอแรงขอแรงมือกับบรรดาบรุษที่เป็นอาอะไรหมายกว่าขอแรงคนไปนั้นมากอ่พรรคพวกช่วยกันฉี่ข้าวสาลีที่กำลังท้อง <c oughs> <c oughs> เมื่อได้ข้าวสาลีที่กำลังท้องมันเป็นน้ำนะตอนนี้ยังไม่เป็นเม็ดให้เคี่ยวเป็นนม จนค้นปรุงด้วยน่อยใสด้าน้ำพึ่งและน้ำตาลไซโครดแต่วายแด่บรรดาพิสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกในการที่ทรงเสร็จพัฒกิจในคราวนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าก็ดีบรรดาประสงค์ก็ดีฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านยิงกระไดกราทุนว่าข้าพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานอันเล่ยของข้าพระพุทธเจ้านี้จงเป็นเพื่อไปเป็นเป็นไปเพื่อความแทงแตลอดทำมันเลิศ ก, ก่อนกว่าบรรดาสาวกทั้งปวงนี่เป็นนั้นว่าเวลาท่านถวายทานถวายทานเสร็จพระพุทธเจ้าฉันเสร็จท่านก็ตามงมโนปฏิทานบอกว่าต่อไปถ้าข้าพระพุทธเจ้าเจเป็นอรหันต์กัเขา อขอได้เป็นพระหันก่อนใครทั้งหมดเรียกว่าต้องการเป็นลูกหัวปีกัละไม่ต้องการเป็นลูกลุกล่นน้องต้องการเป็นพี่ใหญ่สมเด็จพระจอมไตรบรมสนนารเสนาทรงพระนามพระวิปัสสียังได้มีพระพุทธฎีกาจัดว่าขอความปรารถนาของเจ้าจงเป็นไปตามนั้นเถิด นี่ภาษาบาลีท่านบอกว่าเอวังโหตุจะแปลยังไงก็ได้จะแปลว่าขอความสปรารถนาของเจ้าจงเป็นไปตามนั้นหรือว่าขอเจ้าจงมีความปรารถนาสมหวังตามที่ตั้งใจยะว่าเป็นภาษาไทยยังไงก็ได้เมื่ออง์สมเดชเพื่อจอมไตรให้พรแล้วก็ได้ทําการโมทนาเขาไปนาตรวจดูอยู่ เห็นนานหนาะแน่นหนาไปด้วยข้าวสาลีแต่ความจริงเขาฉีกข้าวสาลีมาทั้งเยอะไปข้าวที่กำลังเป็นน้ำนมก็เยะด้วยถ้วยกวยได้จานมันก็ล่อข้าวเข้าไปเยอะเสียต้นข้าวไปมากแต่ถ้าว่าเวลาที่จะไหวทันแล้วกลับไปดูใหม่ต้นข้าวมันก็แน่นหนานกว่าเดิมข้ามาเป็นช่อๆในนาทั้งสิ้น ได้ปีติห้าปีติห้าคือขุตกาปีติมีการสังคนผองสยองเกล้าวี่ก็เรียกเป็นคเรียกว่าปีติอย่างน้อยแล้คณิกาปีติชั่วขณะหนึ่งโอกันเนี่ยคณิกาปีติน้ําตาไหลเนะชั่อขณะหนึ่งโอ้กันเดกาปีติได้ไปเป็นพักพักขึร่างกายโครงไปโค้งมา อุเพงคาปีติตัวลอยขึ้นอย่างโลดโผนปรณาปีติมีอาการซราบซ่านจำอาการปีติห้าไว้นะเรับนี่ความชื่นใจของเขานีใจที่ข้าวที่เขาเกี่ยวไปทั้งมากมันกลับเต็มขึ้นมาได้อย่างอัศจรรย์เพราะบุญที่เขาให้ทานด้วยเจตนาดี เป็นอ น, นว่าเมื่อได้ปีติห้าแล้วจึงคิดว่าเป็นลาบของเราหนอถึงหน้าเข้าเมาก็ได้แต่ไหวทานอันเลิศเจ้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประสงค์เป็นประถายมีประสงค์เป็นบริวารและได้แต่ไหวทานนั้นเลิศไดข้าวอย่างเลิศเพราะไม่ได้ชาวบ้านทั้งหมดหน้าเกี่ยวได้แต่ไหวทานอันเลิศในเวลาที่เกี่ยวข้าว คราวที่ทํำขเนตก็ได้ถวายทานเป็นส่วนในการทํำขเนตรู้จักขเนตมันก็รับก็เนตที่หมายความว่าเขาเกี่ยวเอาซังข้าวเข้ามาแล้วก็บิดให้เป็นกเกลียวคล้ายเชือกแล้วก็ไปมัดฝอยข้าวอย่างนี้เขาเรียกว่าขเนตชาวนาพอจะชาวพอจะรู้จักแต่ท่านที่กาลังฟังอยู่อาจจะไม่ใช่ชาวนาอาจจะไม่รู้จักคำวมาขเนต คาเนตอย่าลืมว่าเอาสังเข้ามารวมกันแลศวเสักเก้าต้นสิบต้นแล้วก็บิดบิดบิดคล้ายๆกับเชือกให้เป็นเกลียวแล้วก็ไปมัดฟ้อนข้าวเขาเรียกว่าคาเนตในคราวมัดฟ้อนเป็นต้นเพื่อมาอย่างนั้นก็ได้จะไหวทานนั้นเป็นส่วนอันเลิศในข้าวกัะในคาที่มัดฟ้อนนั่นเองแล้วก็ถวายทานส่วนอันเลิศในขณะที่นําข้าวเข้าลาน ถาวายทานนี้เป็นส่วนอันเลิศในขณะที่ทำข้าวเข้าหลอมคือกองข้าวถาวายทานเลิศในเวลาเที่ยวข้าวเข้ายุ้งเข้าช้างเป็นอนุว่าท่านจุลกาลได้ถาวายทานนั้นเลิศรวมเก้าครั้งในการทาํานาครั้งเดียวเยอะจําไม่ดีนะผมเองก็เช่นจะจำไม่เคยได้เหมือนกัน ต้องไล่เบี้ยกันให้ดีเพ่ไดว่าทำทุกครั้งทุกจุดขณะที่จะได้ข้าวจะมีผลในคราวทัากต่าว่าในหน้าข้าวคราวหนึ่งเขาจะไหวาทานเก้าครั้งด้วยการปรารถนาอย่างนี้ที่แหงข้าวเขาถือเอาแล้วแล้วได้เต็มดังเดิมทุกๆครั้งไป เป็นอันว่าการถวายทานครั้งหนึ่งของที่สูญเสียไปคือข้าวนะี่ยมันกลับเต็มขึ้นมาตามเดิมมันไม่เข้าเริ่มน่ายขึ้นบนญญาติการแต่กล่าวว่าข้าวกล้าเด้งงอกงามสมบูรณ์ขึ้นอย่างยิ่งยิ่งทำยิ่งข้าวยิ่งมากยิ่งทําข้าวยิ่งงามยิ่งทําผลยิ่งมันเกิดแต่กล่าวแต่ว่าชื่อว่าทำนี้ย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติทำ สมดังพระบาลีที่กล่าวว่าทำแลย่อมดังสาผู้ปกมีปกติประพฤติ ธ, ธรทำทำที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้อย่างนี้นี่เป็นนั้นว่าเรื่องราวของฟ้า ญ, ญายาโกนทัญ้ายังไม่หมดหนาแต่งกล่าวว่านิสงในธรรมนี้เขาประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมเป็นปกติย่อมไปสู่สุคติ ดังนั้นทันญญาโกรัญญาปราถนาเพื่อการทางแดนหลอดทำ ม, มันเลิศ ก, ก่อนพระทั้งหลายทั้งหมดจึงได้มีโอกาสและเขาได้โอกาสได้ไอายถวายทานเก้าครั้งในการพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามอุติสรีด้วยเหตุดังนี้อันหนึ่งในการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าพระปฐมมุตระในของสาวนีนคร ในที่สุดแสนให้กับนี้ไปเขาก็ได้ถวายทานเจ็ดวันแล้วหมอดลงแทบบาทสมุนรือแทบท้าพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตต่งปราตนนาไว้เพื่อการแทงดันหลอดตามันเลิศก่อนบุคคลอื่นทั้งหมดนี่เป็นอันว่าในชาติต่อมาก็ปรากฏว่ า, า, าทันยากลทัญยะ เมื่อครบอ ง, งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพันนามว่าปฐมมุตระความจริงก่อนหน้านั้นอีกนะคราวแรกที่กล่าวมานะั้นถอยหลังจากกลับนี้ไปเก้าสิบเอกลับได้ว่าในสมัยพระวิปัสสีทศกัณแต่ว่าก่อนหน้านั้นถอยหลังไปประมาณแสนกับครบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงพันนามว่าพระปฐมมุตระ เขาจาไายทานเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดวันไม่รอเจ็ดคืนแล้วก็มีการตั้งโมนโนบริทานปร์นาว่าด้วยทานลบารมีของข้าพระพุทธเจ้านี้คอยเป็นปัจจัยในการใดที่ข้าพระพุทธเจ้าจะได้บรรลุอารหัตผลคอยเป็นบุคคลที่ให้ทานที่ได้บรรลุก่อนเพื่อนก่อนใครๆทั้งหมด นี่ฟังแล้วก็ดูคำพยากรณ์ขององค์สมเด็จพระบรมสุคติหรือเวลัยหกนาทีนะครับเรียว่าอีกทักจุดหนึ่งจะทันหรือไม่ทันไม่ทราบหมดเวลาแค่ไหนอยู่ตรงนั้นนี่เป็นนวัตจำเรื่องราวข้อยากรัญญาธนวิริดีนะเรื่องบอกอยู่แล้วต่อไปองค์สมเด็จพระจินสีก็มากล่าวถึงบุ ก, กรรมของพระห้าสิบห้าูปนี่ขอย้อนสักนิดหนึ่ง หมายควาว่าที่ท่านไม่ตั้งพระัญญาโกนัญญาเป็นอากาสาวกก็เพราะว่าพระัญญาโกนัญญาไม่ได้มีความปรารถนาจะเป็นอากาสาวกต้องการเป็นอาหารก่อนคนอื่นก็ได้แล้วนี่จะมาตั้งอะไรกันอีกละ่ะนี่ต่อมาได้กล่าวว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอหาว่าตถาคตไม่ตั้งห้ามพระห้าติพ่ารูปเป็นอากาสาวกนั้น เธอต้องการอยากจะทราบไหมล่ะมันดาพิสุทธิ์ทั้งหลายบอกว่อยากจะทราบพระเจ้าค่ะท่านยิงกล่าวว่าชนห้าสิบห้าคนมีท่านพยศเจ้ากุณฑบุตรเป็นประมุขทํากรรมไม่อย่างนี้สมเด็จพระเยสีตัดว่าแม้ชนห้าสิบห้าคนนั้นราธนาเป็นพระราหันในสํานักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ทำกรรมที่เป็นบุญไว้แล้วมากมายหลายประการเมื่อการก่อนเมื่อองค์สมเด็จวชินวรยังไม่ทรงบัติขึ้นเขาเป็นสหายกันทำบุญร่วมกันเป็นพวกกันเที่ยวจัดแจงงานศพที่ไร้ที่พึ่งมาดี่ยวศพไม่มีญาติน่ากลัวจะไม่จบซะแล้ววันหนึ่งพวกเขาก็ไปพบหญิงตายท้องกลมที่กำลังตกน้า ลอยน้ำมาจัดการเผาที่นด้นำไปปา่าช้าในชนงหลายเหล่านั้นไปพักไว้ในปา่าช้าช่อพักไว้ในป่าช้าห้าคนด้วยสั่งว่าหม้ควางเขาห้าสิบห้าคนเลยกันเอาศพไปแล้วเข้าไปประช้าและอีกห้าคนอยู่คอยทำการเผา ได้อีกห้าสิบคนกลับบ้านกล่าวว่าพวกท่านจงมาที่เหลือเข้าไปในบ้านไปนายยศกินได้เอาเหลาแทงศบนั้นพลิกกลับไปกลับมาแล้วก็เผาได้อาสุปสัญญาแล้วอาสุปสัญญาก็เห็นว่าร่างกายของคนนี้ั้งในมันสปกปรกเหลือเกินเขาแทงแก่ เขาแสดงอาการที่ความไม่สะอาดความสกปรกในร่างกายของหญิงกับบรรดาเพื่อนสี่คนว่าท่านผู้เจริญผู้ท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นที่นั้นหลุดจะรูปของโคดังไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดทั้งสี่คนนั้นก็ได้เอาสุขภาษาในศพนั้นเขาห้าคนกลับไปบ้านบอกแกเสีหายที่เหลือ ส่วนนายยศไปเรือนแล้วก็บอกแกมารดาบิดาและพัญญาคนทั้งหมดนั้นได้จเจริจาสุปสัญญาแล้วนี่เป็นบุปการของคนห้าสิบห้าคนมียศใสกุะหม่อเป็นประมุกเพราะฉะนั้นความสำคัญในเรือนอันเกลื่อนไปด้วยสตรีเห็นประดุจหนึ่งว่าปราชาจงเกิดแกนายศแน่ดูปณิสัยสมบัตินั้นการบรรลุ คุณวิเศษจึงเกยแก่พวกเขาทั้งหมดคนนั้นหลายเหล่านั้นได้รับผลที่เขาปรารถนาแล้วเพราะว่าเขาต้องการเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเขาไม่ต้องการเป็นพระอา卡สาวกเราจรึงไม่ได้ตั้งเขาเป็นอาคาสาวกการแต่งตั้งนี้แต่ถาคตแต่งตั้งตามความถนัดมาตามความปรารถนาของแต่ละคนละคน เมื่อองค์สมเด็จพระทศกุลบรมสารสันดาล ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าตัดแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบัณฑแก้วก็ทรงตรัสถึงบุพกรรมของพระพัตะวคีสามสิบท่านแต่เวลาบ้าท่านทั้งหลายเวลาที่จะพูดต่อไปก็หมดเส็จแล้วท่านนี้พ่อะไร่พระเวลาหมดเรื่องพระพัตตะวคีทั้งสามสิบท่านขอบรรดาท่านนันหลายโปรดรับฟังในวันพงนี้ สำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านมาฟังแล้วจงนำมาไปคร่ควรศึกษาจะได้มีประโยชน์กับการปฏิบัติเพื่อมักเื่อผลสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียง้